สวัสดีครับพี่น้องครับมี่คเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าตอนเศษถีโง่ข้อชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสองข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่ยี่สิเอ็ดนะครับลูกาบทที่สิบสองข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดโปรดฟังขจนะของพระเจ้ามีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้า ขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าบุรุษเอยใครได้ตั้งเราให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านแล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยพระองค์จึงตรัสทำเปรียบข้อหนึ่งให้เขาฟัางว่า ไรนาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทําอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บของของเราเขาจึงคิดว่าเราจะทําอย่างนี้คือจะเริ่มยุ่งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้นและจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นแล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพสมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าโอคนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าคนที่ ส, สัสมทรัพสมบัติไว้สำหรับตัวและมิได้มั่งมีจํเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละพี่น้องครับพรนะ ข, ของพระเจ้านี่ช้าวันนี้นะครับ เป็นคำอุปมาของพระเยซูขณะที่พระเยซูกำลังสอนเกี่ยวกับความล้ำลึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีคนหนึ่งในพวกคนฟังหรือฝูงชนเข้ามาทูลถามพระองค์ในข้อสิบสามนะครับมีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลโรงว่าอจาจารย์ชอบค้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้าทีน้องครับ แน่นอนทีเดียวครับเขากําลังคิดถึงปัญหาเรื่องหนึ่งที่เขากําลังกระเชิญอยู่ในเรื่องมรดก ข, ของเขาเขาทูลขอให้พระเยซูช่วยไขยข้อขัดแย้งที่เขามีต่อผู้ชายของเขาเป็นไปนได้ครับว่าชายคนนั้นไม่ได้รับฟังคําสอนของพระเยซูเพราะาอะไรเพราะว่าเขาคงจะเครียดหรือเขาคงจะคิดมากมีปัญหาใหญ่ในชีวิตของเขาทาทูล ข, ของเขาที่ให้พระเยซูช่วยไขยข้อขัดแย้งไม่ใช่เป็น ทำทูลขอที่ผิดปกติถึงแม้ว่าชายคนนั้นจะไม่สุภาพที่ได้ขัดจังหวะพระเยซูขณะที่พรวงสอนอยู่ก็าตามแต่นั่นครับเป็นการปฏิบัติที่เป็นปกติธรรมดาในสมัยนั้นเพราะว่าคนในปาเลสไตน์หรือคนในยุคของพระเยซูนะครับเขาจะนำข้อขัดแย้งของตนมาปรึกษากับครูมาปรึกษากับอาจารย์ครับอาจารย์พวกนี้เป็นคนสอนหรือพวกรับบีนะครับ เป็นผู้สั่งสอนชาวยิวที่เท่าทับถือคนเหล่านี้ครับได้รับอนุ ญ, ญ, ญาตตามกฎหมายให้เป็นตุลาการได้ครับในข้อสิบสี่ข้อพิจารณาต่อไปว่าพระเยซูไม่ได้สรงเป็นตุลาการพระองค์ไม่ได้ทรงตัดสินในข้อขัดแยง้งหรือพระองค์ก็ไม่ได้สร้างปัญหาระหว่างพี่น้องที่นี้พระเยซูกล่าวว่าบุรุษเอ๋ยใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านนั่นหมายความว่าพระเยซูกําลังบอกกับเขาว่า เยซูไม่ได้มีหน้าที่เป็นตุลาการไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินข้อปัญหาตัดแยง้งเรื่องมรดกนะครับตรงก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะสร้างปัญหาระหว่างพี่น้องพระเยซูทรงทราบดีนะครับว่าความคิดในเรื่องมรดกของชายคนนั้นเป็นเหตุให้ชายคนนั้นไม่ได้สนใจในสิ่งที่พระเยซูสอนเหตุนั้นพระเยซูจึงกล่าวกับเขาเป็นคําอุปมาให้เขาฝัน และก็คําอุป ม, มานี้ก็เป็นประโยชน์กับพวกเราในทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งผู้ซึ่งคิดแต่เรื่องสมทรัพสมบัติที่เขาครอบครองอยู่พรจนานของพระเจ้าได้กล่าวบรรยายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของเศรษฐีคนนี้นะครับว่าเขานั้นมีไร่นาเป็นจํานวนมากไม่เพียงแต่ไร่นาเขามีมากยังเกิดผลบริบูรณ์มากด้วยคําว่าบริบูรณ์มากนั้นมีความหมายว่ามันเกิดผลจริงๆนะครับเกิดจนขนาดที่ว่า ไม่มีที่จะเก็บของไม่มีที่จะเก็บพืชผลของตัวเองในข้อศึกษาครับชายคนนั้นได้คิดว่าเขาจะเรือยงฉางที่เขามีอยู่และสร้างยุ้งฉางห่อยให้ใหญ่กว่าเดิมพี่น้องครับคาว่ายุ้งฉางนั้นมีความหมายว่าเหมือนโกดังเก็บของครับโกดังเก็บข้าวโกดังเก็บผลผลิตทางด้านการเกษตรสร้างยุ้งฉางใหม่ใหญ่กว่าของเดิมพี่น้องเห็นอะไรไหมครับพี่ อยู่ใน จ, ใจิตใจอยู่ในความคิดของเศรษฐีผู้นี้เศรษฐีผู้นี้นนเป็นเศรษฐีที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นเศษเงงรษฐีโง่ทําไมเขาถึงโง่ครับทั้งที่เขาประสบความสําเร็จมีคนนับหน้าถือตามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายพี่น้องเห็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางในใจของเขาหรือเปล่าครับมีคําคําหนึ่งครับที่น่าสนใจมาก คำนี้ก็คือว่าของเราของเราของเราและของเรานะครับเช่นยุ่งฉางของเราเศรษฐีคนนี้พูดนะครับยุ่งฉางของเราผลิตผลของเราทรัพย์สมบัติของเราจิตใจของเรานะครับเราจะเห็นปรัชญาชีวิตเห็นคอนเซ็ปต์ของชีวิตจากคําพูดที่เขาพูดหรือความคิดที่เขาคิดดังๆออกมาให้เราได้ยินยุ่งฉางของฉัน ผลิตผลของฉันทรัพย์สมบัติของฉันจิตใจของฉันเขาพูดอย่างนี้นะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับอันความคิดที่เขาคิดดังๆออกมาเราจะทำอย่างนี้คือจะรือยุ่งฉันของเราเสียแลวจะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้นและเราจะรวบรวมขทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นแล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ยมีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแล้วเขีนว่าเศรษฐีคนนี้มีความสามารถมีศักยภาพมีความคิดและเขาประสบความสำเร็จครับเขารู้จักวางแผนชีวิตของเขาเขารู้จักที่จะให้เกิด security หรือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเขาก็พูดกับตัวเองว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพสมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่ยางสบาย กินดืมและเรือนเรองเถิดพี่น้องครับชายคนนี้เขาได้ตั้งข้อสันนิษฐานที่ผิดๆมากมากยเยอะแยะใช่ไหมครับพี่น้องเศรษฐีคนนี้ตั้งสันนิษฐานว่าเขาจะได้อยู่อย่างสบายเขาตั้งสันนิษฐานว่าทรัพสมบัติที่เขาหามาทั้งชีวิตจะยั่งยืนตลอดไปเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาจะมีชีวิตสุขสบายในทรัพสมบัติของเขา<อ>พระเจ้าตรัสทางตนข้างครับพระเจ้าตรัสว่าไงครับพระเจ้าตรัสว่า ชายคนนั้นเป็นคนโง่ที่วางใจในทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกว่าเป็นสิ่งยั่งยืนเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่สามารถดํารงอยู่ได้ครับอุปมานี้ชี้ให้เห็นว่าชายคนนี้เมื่อเสียชีวิตลงทรัพย์สมบัติของเขาก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ครับพี่น้องครับคําอุปมาณนี้ทําให้เราได้ระลึกถึงได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคน ที่มีทรัพสมบัติมากเป็นคนที่มั่งมีในฝ่ายโลกนี้แต่ในทางกลับกันครับฝ่ายสวรรค์เขาอาจจะเป็นคนยากจนก็ได้พี่น้องทราบว่าเราอ่านในข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะครับคนที่สัมสมทรัพสมบัติไว้สำหรับตัวและมีได้มั่งมีจำพรอะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละพี่น้องครับคนโง่คือคนที่ให้คุณค่าให้คะแนนกับ ทรัพ ส, สมบัติความสะดวกความสุขสบายในโลกนี้พี่น้องครับเพราะว่าเจ้าพระเจ้าในข้อนี้ในตอนนี้ทําให้เรารู้นะครับว่าลูกาได้เขียนให้พี่น้องหรือพวกเราได้อ่านให้เราเห็นเปรียบเทียบกับลูกาที่เขียนในพระธรรมกิจการเมื่อลูกาเขียนในพระธรรมกิจการบทที่สองก้อนสี่สิบสี่สี่สิบห้าทำให้เรารู้ว่าในสมัยนั้น คึิสเตือนซึ่งเป็นขึ้นจักยุคแรกได้กระทำต่อทรัพสมบัติของเขาไม่เหมือนกับที่เศรษฐีโง่คนนี้ทำครับปบดฟังโ้ชนะของพระเจ้าในจิตจการบทที่สองข้อสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากนะครับบดฟังโ้ชนะครับบรรดาผู้ที่เชื่อสือนั้นก็พร้อมอยู่ณที่แห่งเดียวและทรัพสิ่งของของเขาทั้งหลายนั้นเขาก็เอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเยียงครับพระเจ้าของพระเจ้าได้บรรยายถึงภาพของคริสเตียนในคริสจักรลุกแรกที่แต่ละคนเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับทรัพย์สินเงินเงินทองทับสมบัติอของเขาเขาเอามารวมกันเป็นกองกลางครับและเขาก็แบ่งปันให้กับคนอื่นๆเราเรียนรู้ความจริงอะไรเกี่ยวกับคําอุ ม, มาเนี้ยครับข้อสิบห้าครับ ความจริงที่นี่บอกว่าพระองค์ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยโปรดฟังอีกครั้งครับจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟื่อยชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยครับเทวยชูไม่ได้กล่าวว่าคนมั่งมีจะไม่มีช่วในแผ่นดินสวรรค์นะครับ หรือพระองก็ไม่ได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ผิดที่จะมีทรัพย์สมบัติชายหรือเศรษฐีโง่ที่อยู่ในคาโ อ, อมานี้ถูกครอบงำด้วยทรัพย์สมบัติของเขาต่างหากอันนี้นะครับคือความโง่ของเขาครับเขาปล่อยให้ชิตของเขาถูกครอบงำด้วยพลังหรืออำนาจของทรัพย์สมบัติเขาปรารถนาที่จะเก็บมันไว้ทั้งหมดสําหรับตัวเองเขายอมสูญเสียเพียง แค่การทำลายยุ่งฉางที่ดีๆเพื่อหวังประโยชน์จากการจ้างยุ่งฉางที่ใหญ่กว่าเท่านั้นเขามีมากเกินกว่าที่คนคนเดียวจะใช้อีกครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีมากจนใช้ไม่หมดครับพี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นผู้รับขาของพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์นะครับเราเป็นผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติของพระเจ้าที่ฝากไว้กับเราถึงแม้ว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะมากหรือจะน้อยก็าตามพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติและทรัรพย์สินทั้งปวง เราเป็นเพียงแค่รับหน้าที่ดูแลและผิดชอบในสิ่งที่โครงคปรดประทานให้กับเราเท่านั้นเราจะเป็นเหมือนเศียรีในคำโอวมาซึ่งเป็นเศียรีโง่หรืออยากจะเป็นเหมือนคริสเตียนในสมัยแรกผู้ซึ่งแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นตามความต้องการตามซึ่งทุกคนต้องการอะไรเป็นสิ่งสำคัญ ท, ท, ที่สุดสาหรับคุณและผมครับอะไรเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่ากันครับระหว่างทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และความมั่งมีจำเพาะพระพักของพระเจ้าบนสวรรค์ครับอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับเราทรัพย์สมบัติของเราหรือทรัพย์สมบัติในสวรรค์พี่น้องทับขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่ทุกท่านจะเห็นความสําคัญของแผ่นดินสวรรค์มากกว่าแผ่นดินโลกและให้ทรัพย์สมบัติบนสวรรค์จะถูกสัาสมไว้ให้มากกว่าบนแผ่นดินโลกอาเมน